ใช่ไ ม, มันยึดตัวนั้นฉะนั้นต้องมองมองอีกชั้นหนึ่งอย่าไปมองแบบห ย, ยาบๆ น, นะนั่นแหละไอตัวนี้แหละตัวพนาันาการตัวที่ล็อกเราไว้มัดเราไว้ผูกเราไว้นี่หลายตัวตัณหานี่นแหละฉะนั้นกรณีที่เราต้องฝึกในการเดินออกบ้างเดินออกบ้างนะนั้นเป็นวิธีการซ้อมกําลังเบื้องต้นเนี่ยซ้อมกําลังว่าเนี่ยที่เราเดินออกมาอย่างเงี้ยนี่ซ้อมไว้นเนี่ย เป็นการซ้อมไว้ว่าเพราะไอความอะไรอวอนของเรามันแน่นมากใช่ไหมก็เลยซ้อมดึงดูที่เอมางนี้มันเริ่มคิดถึงอน้องวิซ้อมอยู่เนี้ยนัเข้านะกเข้าก็ตัดเด็ดขาดอีกก็เป็นไปลักษณะนั้นนั้นสังโยคัทโธ ก, ก็คือว่าตัวที่ประกอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในสังสารวัตเนี่ยนะคํานี้ก็เป็นคําที่ถ้าบางท่านอ อ, อ, อ่านที่นี้เข้าใจแต่เรายกตัวอย่างประกอบอนี้ก็ชัดแล้วอย่างนี้ชัดไหม ยังไม่ก็อโอเคนะประการต่อมาคือคำรบที่สี่ใช่ไหมสมุทัยสัจจะปริโพทะปริโพทะโถเป็นเครื่องกังวลเนา ะ, ะก็ต้องอธิบายให้ตลอดถึงมารคษัตย์บอกว่าเห็นชัดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นธุระกังวลอยู่ด้วยกิเลสกรรมด้วยวัตถุกรรมบอกว่ากังวลเนี่ยเครื่องกังวลต่งตางๆอะไรอะอารยะ อะไรอะไรโดยเนี้ยเป็นชื่อของตัวตันหาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอะไรมากอะไรมากเป็นผู้มีความอะไรเนีเป็นผู้มีความยินดียินดีในที่นั้นก็คืออรารยะอะไร น, นั่นเองอะไรก็คือเป็นผู้มีธุระกังวลอยู่ด้วยกิเลสการมวัฏฏกรร ม, รรมไม่สามารถจะเพื้องธุระเครื่องกังวลออกได้ ก็เหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมารครสัตย์ก็ตรงเนี้ยจะเห็นชัดสังโยค้านี่ประกอบปริโพธานี่เป็นเครื่องกังวลเป็นธุระกังวลด้วยกิเลสกามใช่ไหมไอ้กิเลสกามเนี่ยมันไปยึดถือตัวอะไรวัตถุกรรมใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัตถุกรรมพวกปัญหาคือโลภะนี่นะความยินดีความเพลิดเพลินเนี่ยนะทั้งหลายเหล่านี้ อันนี้ตั ว, ตวกิเลสกรมหรือราคาโทสาโมหะมานะอะไรไปเถอกิเลสเหล่านี้เป็นกิเลสการามกิเลสการามต่างๆเหล่านี้ก็เข้าไปยึดติดในวัตถุกรรมนั่นเลยแล้วตรงเนี้ยมันก็เป็นกังวลออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วมันก็พัวพันอยู่เนี้ยออกไม่ได้เลยตรงนี้ที่ใช้คำว่าไม่กล้าสลัดออกใช่ไหมไม่กล้าสลัดออกเพราะสัตว์ยังไม่เข้าใจมรรค ถ้าเข้าใจมัคคสัตว์เนี่ยสัตว์จะรู้จักทางในการที่จะเดินออกอยังไงในการเข้าไปวิจัยยังไงนะเนี่ยการประกอบในมัคคสั์นี่แหละการเดินสิกขาสามทำสมาทิฏฐิให้ชัดใช่ไหมพอเข้าใจสมาธิฏฐิเข้าใจสัมมาวิมะเข้าใจสมาสตินี่องค์สามต่างๆเหล่าเนี้ยแล้วก็เข้าใจที่ตรงเงินข้าวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสมาธิอมิจฉาวิมารมิจฉาสติเนี่ย ทีนี้พอเข้าใจมีเบ็ดเสร็จและชัดเจนก็เป็นสมาธิทีไหมตัวสมาธถถินี่แหละจะทลายเครื่องกังวลก็คือจะไปวิจัยตัววัตถุกรรมแล้วก็น้อมน้อมออกจากกิเลสกรรมได้แล้วก็รู้ว่าตัวกิเลสกรรมเนี่ยมันไปเกิดณที่ไหนไปยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็วิจัยตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาทีใช่ไไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรส ผลิภัณฑ์และทำอารมณ์เราก็วิจัยรูปเสียงยินรถโพิตภัณฑ์และทำอารมณ์คือไปไปทําความเข้ากําหนดรู้รอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นอพอพอปัญญาทํากิจในการกําหนดรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้นเหล่านี้ใช่ไหมตัณหาที่เคยยินดีเพลิดเพลินเริ่มคลายตัวมไหมเริ่มคลายตัวแล้วไม่ดีจริงอย่างที่ว่าแล้วเพราะปัญญาทํากิจในการวิจัยแล้วจริงว่ายยนสุวรรณโยนสุวรรณยินดีเพลิดเพลินอะไรในอาหาร ในอาหารเนี่ยโอบริโภคที่อะไรอร่อยทุกทีเนี่ยนะแต่เยาวันวิจัยได้ปัญญาชอบตามคําสอนที่พระเจ้าวางหลักการวิจัยอาหารกันไว้เออว่าให้คุณแค่ไหนมีอาร์ทีนว่าแค่ไหนเป็นไปกับการไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาอย่างไรเออไม่ไม่งามยังไงอาหารไม่สะอาดอยังไงใช่ไหมถ้าวิจัยในลักษณะเนี้ย ตัณหาจับไม่อาศัยวัตถุชิ้นนั้นได้สะดวกถ้าวิจัยขาดแล้วตัณหาไม่เกิดเลยใช่ไหมใช่ก็เหมือนว่าเรารู้แล้วว่าทางเดินตรงเนี้ยตัณหาเกิดแน่นอนมสมาทิฏฐิก็ทํางานนะวิจัยวิจัยที่ตั้งของตัณหาเบีเสร็จตัณหาจะมีที่ตั้งไห ม, ไ ม, ไมนี่เราไม่ได้วิจัยแบบนี้ ฮถ้าถ้าวิจัยเบ็ดเสร็จนะ ว, วิวิจัยจนทองแท้เบ็ยดเสร็จในสุวนจริงตันหาจะไปเพื่อเพลินนั่นแหละตันหากไไ็ไม่ได้ไม่ได้พื้นที่ในการที่จะเพื่อเพลินความยินดีความเพื่อเพลินความยึดติดก็ก็ไม่สามารถจะเกิดได้เพราะปัญญาทําทํากิจเรียบร้อยแล้วขยันใช้ปัญญาวิจัยหน่อย ก, ก็แค่ไม่ต้องเสียเงินเสียทองโดยวิจัยใช้ปัญญาใช่ไหม ตรงนี้ท่านถึงใช้คําว่าตัวกิเลสกรรมและก็วัตถุกรรมเรื่องทุรักังวลเสียไม่ได้ว่าเหตุที่ไม่ปฏิบัติตามมากสัดจัดที่บริบูรณ์ด้วยองค์8ประการมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจนถึงสัมมาสมมาทิฏเป็นที่สุดถ้าอุสาหานะเพียรพยายามในการที่จะกระทํามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำมรรคที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญบริบูรณ์ขึ้นนะก็จะสามารถเปลื่องกังวลต่างๆนะที่เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสกรรม ก็วัตถุการมเป็นต้นได้ซึ่งจะเป็นธุระกังวลเดิมหน้าของตัณหารู้อํานาจแห่งตัณหาเป็นนิดนั้นได้เพราะเหตุที่ละเมอเสียม่ได้ปฏิบัติตามมารรคสัจเนี่ยพระองค์จะให้เห็นใจความชัดตลอดถึงมรรคสัจจ์จึงได้แสดงอัดปริบรโบทัโถนะว่าเป็นอัดของสมุทยัยสัจจ์เนี่ยเป็นคำลบที่สเนี่ยก็เป็นอัดของสมุทยัยสัจจ์เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ น, นี่มองเห็นแล้วนะ ก็พยาวอาธิบายแล้วก็หยุดให้คิดเป็นระยะระยะเป็นการอาธิบายอาธิบายไปใช่ไหมแล้วก็หยุดให้ยอมสุวรรณคิดพอคิดเสร็จก็อธิบายต่อใช่ไหม ก็ตรงนี้ก็คืออันแรกคืออะไรอายุหานาเนี่เป็นลักษณะของอะไรอายุหนะเป็นลักษณะของอะไรของตัณหาเลยของตัณหาเลยอายุหนะนี่เป็น ล, นลนนนักษณะของตัณหาเลยนิทานะโถเนี่ย อธิบายตันหาแต่ให้แทงตลอดถึงอะไรเออทุกขาสตร์ปริโพ ท, ทัตโถเนี่ยเออไม่ใช่สังโยคโถนี่เป็นอะไรประกอบสัตว์ไว้ในสังสาวรวัตก็ให้ตลอดแทงตลอดถึงอะไรถึงนิโรธาสัจจะเนาะส่วนปริโพท่านี่แทงตลอดถึงอะไรเออเนั่ยแหละ ตรงนี้ก็คือให้เข้าใจนะว่าสมุทยาาายัยสัจจะเนี่ยที่จริงสมุทยาาายัยสัจจะเนี่ยท่านแสดงถึงการประกอบพร้อมที่ว่าสังโยคังเนี่ยสมาคโมสเมตังระชมกันการถึงพร้อมสาพราบว่อุนี่แสดงถึงความอุบัติเกิดขึ้นอุปติังนั่นแหละในคำว่าอุ ป, ปันนังอุทิตังเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วตั้งขึ้นแล้วนั่นเองตัณหาเกิดขึ้นแล้วที่ไหนที่ตาหัวจมูก ลิ้นกายใจตั้งที่ไหนที่ตาหัวจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมีสองสาบที่ท่านใช้คําว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วนะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งขึ้นแล้วท่านใช้อย่างนั้นเป็นกาลนาคือเป็นเหตุแล้วก็ประกอบพร้อมด้วยปัจจัยที่เหลืออยู่นะทุกขสมุทยสาาาัจจะเนี่ยเป็นเหตุแห่งการอุบัติเกิดขึ้นของกองทุกเพื่อประกอบพร้อม เป็นต้นละเนี่ยนะนี่นี่ก็ทําความเข้าใจตรงเนี้บอกว่าถ้ามองถึงในลักษณะของว่านิทานทโถเนี่ยบอกประกอบไว้ประกอบสัตว์เกิดเป็นเหตุเป็นเหตุเนี่ยคําว่าเป็นเหตุในที่นี้ก็หมายความ ว, ว่าต้องทําความเข้าใจถึงทุกข์ด้วยนะสังโยค่าประกอบสัตว์ไว้เนี่ยเอา้าทำไมถึงประกอบไว้เพราะสัตว์นั้นไม่บรรลุพระนิพพานนั่นเองถึงประกอบให้สัตว์นั้ติดอยู่ในสังสารวัฏ ส, ส่วนปริโพธาเนี่ย กรณีที่เป็นธุระกังวลต่างๆด้วยกิเลสกรรมด้วยวัตถุกรรมนั้นเนี่ยเพราะสัตว์เหล่านั้นนี่ยไม่กล้าที่จะปฏิบัติไม่กล้าที่ปฏิบัติตามมรครคสัตว์เนี่ยสัตว์ก็เลยเป็นปริพโคตอยู่นั่นแหละกังวลอยู่นั่นแหละยิ่งยิ่งมรรคไม่เกิดนี่นะก็ยิ่งกังวลใหญ่ยิ่งเป็นธุระกังวลด้วยกิเลสกรรมวัตถุกรรมไม่จบไม่สิ้นใช่ไหมโยอมสุวท่านไม่จบหรอกแล้วก็ลองคิดดูสิเราสาสางปัญหาไม่ตลอด พอมีปัญหาก็แก้มีปัญหาก็แก้กังวลอยู่ตรงนั้นน่ะถ้าหากว่ามีมรรคศาสตร์ให้แก้ปัญหาได้จ ะ, จะออกเครื่องกังวลได้ตอนนี้นี่มรรคศาสตร์ก็ต้องประกอบแล้วตอนนี้ตอนนี้เริ่ ม, มต่อเรือได้แล้วล้อมต่อเรือได้แล้วใช่ไหม้าไม่ต่อเรือแล้วจะเดินทางลงทะเลหลวงได้ไงต่ออย่างตอนนี้มีกี่ชิ้นน่ะมีกี่ชิ้นน่ะ สมาทิทียใช่ไหมประกอบนี่ยังสมาสังกปะสมาวาจาสมากรรมตาสมาชีวะสมาวยมะรสมาสติสมา ส, สม า, สามที่ท่องได้เลยนะ <c oughs> แต่ท่องได้เดี๋ยมาใช้ไงเนี่ย <c oughs> ตรงเนี้ไหมแล้วลองซ้อมๆหายบ้างมยยังแห <c oughs> มจะข้ามทะเลหลวงเรือแค่เนี้ย <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วโอ้ท้อเลยเนี่ย นั่เลยแอ้วกรเพาะที่ต่อไม่ค่อยติดอีกที่สมมาทิถฐิมาก็กระพ้องกระแพ่งนี้ไม่ได้แล้วทีนี้ น, นิโรธาสัจะนะเหลือเวลาอีกไม่ไม่นานนิโรธสัจจะก็คือนิสรณโถนิสรณะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยสลัดออกนะหรือตนออกสลัดออกได้อปริโพทัาโถนี่แปลว่าอะไร หาเครื่องกังวลไม่ได้นะแล้วก็อะไรนะอสังก็ตัดโนะ่ไม่มีปัจจัยไปชุมบงแต่งแล้วก็อามะตัถโถเป็นอมะตะไหมเ ป, เป็นธรรมที่ไม่ตายนะเป็นธรรมไม่ไม่ตายอันแรกนิสรณัฐถากนิสระัฐโถเนี่ยลักษณะของนิโรธาสัจจทะแท้ๆเลยเนี่ยก็ไปสืบดูนิโรธาสัจจะ ตัวนิโรธาสัจจานเนี่ยทุกขันนิโรธเนี่ยคำว่าทุกขันิโรธเนี่ยโอ้โหถ้าดูในพุทธพจน์ที่ท่านกล่าวถึงในเรื่องของทุกขานิโรธเขาไว้เนี่ยเป็นเรื่องเยอะเลยเนี่ยนะทุกขันนิโรธาริยสัตว์เนี่ยความดับสามารถแห่งสำรอกไม่เหลือความสลากความสลากคืนความไม่ความปล่อยวางเนี่นะความไม่มีอะไรในตัณหา คือสภาวะของนิโรธาสจาร์เนี่ยท่านกล่าวไว้ค่อนข้างเยอะท่านในธรรมจักรกับประวัตินาสูตรเนี่ยนะกล่าวไว้มากเลยะตัวนิโรธาสจาร์เนี่ยนะในธรรมจักรกับประวัตินาสูตรเนี่ยไล่ไปตามลําดับเลยทุกสมูทัยแล้วก็มานิโรธเนี่ยนิโรธในองค์ธรรมได้แก่อะไรนิโรธองค์ธรรมได้แก่พระนิพพานปรมัตต์เนี่ยนะเออในดีกาท่านขยาย ท่านใช้คําว่าธรรมชาติที่ออกจากตัณหาเรียกว่าวานะเพราะตัณหาเนี่ยเขาเย็บพบน้อยก็บพบใหญ่ให้ติดกันแต่นิพานนั้นเป็นเหตุดับไฟคือราคะเนีท่านก็เลยใช้คําว่านิโรธานิสระนัตวิเวกัดอสังกตติอมตะโถเป็นต้นเนี่ยอัดของนิโรธาสัจนั้นบางแห่งก็ขยายต่างกันออกไปนะนิโรธเป็นธรรมที่ ออกไอ้ถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไปในการาพบเป็นต้นเป็นธรรมที่สงังอาจจากทุกขพร้อมได้เหตุด้วยเป็นธรรมที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วก็เป็นธรรมที่ไม่รู้จากตายเนี่ยส่วนนิโรธาสัจจาองค์ธรรมที่แก่พระนิพพานเนี่ยนะถามว่านิโรธาสัจจาในความดับเนี่ยนะที่เกี่ยวในเรื่องของนิพพานเนี่ยต่างจากต่างจากนิโรดนิโรศาศนี้เขาก็ใช้กันเยอะนะ ใช้กันเยอะบางทีก็เป็นนิโรธนะถ้าไปพูดถึงในเรื่องของอะไรเนียเออในศัพที่ท่านพูดถึงท่านขยายในอัจถริยก่อนเนี่ยอัจฉริยท่านขยายขยายนิโรธาสัจจะทุกขนิโรธเป็นฉนัยใช่ไหมถ้าดูในพุทธพจน์คําสอนของพระพุทธเจ้าเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขานิโรธทำเป็นเหตุดับสนิทของกองทุกนี้แลเป็นความจริงของบระยาเจ้า ซึ่งเป็นวิราท่าเป็นเหตุดับสนิทซึ่งตันหานั่นแลโดยไม่มีเหลือเป็นเหตุสลัสละคืนเป็นเหตุหลุดพ้นเป็นเหตุไม่มีความอะไรยินดีเป็นต้นตรงเนี้ท่านก็อธิบายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขณิโรธอริยสัจเป็นชไหนทําเป็นเหตุดับสนิทของทุกแหนเป็นความจริงของพระริยาเจ้าเป็นเหตุสดับโดยการสํารอกตันหาโดยไม่เหลือเนี่ยเป็นเหตุสละสละคืนเป็นเหตุหลุดพ้นเป็นเหตุที่ไม่มีความอะไรเป็นต้น ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตั้หานั่ยแหละเมื่อจะละสามารถละได้ที่ไหนจะดับกระดับเนี่นที่ไหนก็ไล่ไปตามลําดับคือตาเป็นต้นเหล่าเนี้นะอะไรเป็นมีสภาพเป็นที่รักพินท้าน้ายินดีก็ตามลําดับนั่นแหละทีนี้ถ้ามาขยายทุกๆบทก็คือว่าอาเสสวิราคานิโรโทจาโคปฏินิสโคมุติอนารโยเป็นต้นเหล่านี้เป็นศัพท์ของพระนิพพานทั้งนั้นแหละใช่ไหมนิพพาน ทำตัณหาไม่เหลือคลายให้ใคล ใ, ใ, ให้ดับนิพพานนั้นจัดเรียกว่าเป็นเหตุดับสนิทโดยการสารอบตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือโดยไม่มีเหลือเพราะสายนิพพานตัณหาจึงถูกสละแล้วละแล้วก็หลุดพ้นไม่ติดพันจาคะจาโคแปลว่าเหตุละตัณหาปฏินิสโคก็แปลว่าเหตุสละคืนมุตติก็คือหลุดพ้นอนารโยก็เป็นเหตุให้หมดความอาลัยนะอนารโยเนี่ย ที่จริงนิพพานนะั้นมีอย่างเดียวนะมีอย่างเดียวคือสันติ ล, ลักณาหละสง บ, บจากกิเลสและรวบนามกันนะแต่ชื่อของพระนิพพานมีมากมีมากนะอเสสวิราคเนโรโทรจาโคนะี่มีเยอะขนาดไหนะเยอะเลยมีหลายสูตรที่กล่าวไว้จาโคจาบางแห่งท่านใช้คำว่าอาคติก็ได้นะอัคติอะ่ะเออไม่มีคติห้านั่นเอง จาโคเป็นที่สละตันหาปฏินิสโคเป็นที่สละคืนตันหาออกโดยไม่เหลือมุตติก็รุดพ้นจากตันหานารโยก็หมดอะไรราคะคโยก็สิ้นไปราคะโทศักคโยโมหักคโยตันหักคโยอนุปาโทเนี่ยนะไม่เกิดอปอปวัตตังก็คือไม่เป็นไปอ น, นิมิตตังก็เป็นธรรมที่ไม่มีนิมิตรายละเอียดเยอะรายละเอยดเยอะตรงเนี้นะ ก็คือตรงนี้ก็คือว่าท่านต้องทำทความเข้าใจในเรื่องของนิโรธตรงนี้ก่อนพอเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนิพพานเนี่ยนิพพานเนี่ยนะตามถ้าหากว่านิพพานที่ท่านแสดงไขต่างๆเหล่านี้เพื่อต้องการให้ทราบว่าเป็นสภาวะที่ดับสนิทสังสารวัฏเนี่ยนะ ดับสนิทแห่งสังฆะสังสารวัตรตรงนี้ท่านใช้คำว่าอัดของนิโรธาสัจจะอัดของนิโรธาสัจจะในความหมายในในคำสอนที่ท่านทรงสแสดงเนี่ยนะท่านสแสดงเกี่ยวในเรื่องของคาว่านิโรธนิโรธาเนี่ยต่อจากสมุทยัยสัจจะนี่เนียก็หมายความบอกว่า ในอัดทั้ง4ี่ประการที่ใช้คําว่านิสธรรมัทโถออกใช่ไหมอปริโพทัสก็คือไม่ไม่เป็นเครื่องกังวลและอสังกตตก็คือว่าไม่หาปัจจัยประชุมปรุงแต่งไม่ได้อัมตะตโถก็คือเป็นอมตะธรรมนิสธรรมนัะเป็นลักษณะของนิโรธสัจจะแท้ที่พูดมาตามลําดับจะเห็นใจความว่าบุคคลใดเนี่ยได้สําเร็จพระนิพพานแล้วเนี่ยบุคคันบุ ค, คลนั้นก็จะยกตนออกจากสังสารวัต หรือพน้นจากสังสารวัตไม่ต้องมาเวียนไายตายเกิดหรือไม่ต้องมาเวียนสืบต่อในพบต่อพบเป็นต้นอนี้อย่างนั้นก็เรียกว่าบุคคลที่สําเร็จพระนิพพานแล้วยกตนออกจากสังสารวัตออกจากวัฏสงสารได้พระองค์เนี่ยก็เลยอธิบายขยายอัถะเป็นอัฏฐแรกที่เรียกว่านิสรณั ถ, ถะหรือนิสรณโถเนี่ยโดยการที่บอกว่าออกออกจากสังสารวัตรเป็นลักษณะของนิโรธแท้ ท่าถ้าหากเราจะยกตนออกจากสังสารวัตรได้ตนนี้เรายกไม่ได้เนาะคือไม่สามารถที่จะยกออกจากสังสารวัตรไดแบบ้เพราะว่าเรามีขันธาตุอายตนะที่มันหมุนไปในสังสารวัตรอยู่ตลอดเวลาทีนี้นิสระนาเลยก็คือการออกนิสระจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเป็นอาสาท่าอาธีนว่านิสรณะเนี่ยนิสระนั้นมีสองส่วนนิสระที่เป็นเหตุกับ น, นิสรณะที่เป็นผลแต่ในที่นี้อธิบายในฐานะ น, นิสรณะที่เป็นผลใช่ไหม นิสสารนาที่เป็นเหตุหมายถึงมรรคสัตต์นิสสารนาที่เป็นผลหมายถึงนิโรธาสัจจะเราเอาตัวนิโรธาสัจจะมาอธิบายทําความเข้าใจตัวนิโรธาสัจจะหมายถึงตัวยกออกจากสังสารวัฏเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมรรคสัตต์ถ้ามรรคยังเราสแสวงหามรรคสัตต์มรรคสัตต์แสวงหาพระนิพพานอยู่มรรคสัตต์แสวงห า, พ, า, รๆๆรงหาพระนิพพานอันนี้ตัวพูดถึงตัวนิโรธาสัจจะเลยเป็นตัวพระนิพพานเลย เป็นตัวดับสังสารวัตรเลยใช่ไหมถ้เาเป็นตัวนิสสนาที่เป็นผลหรือที่ทําความเข้าใจตรงเนี้ยก็คือบุคคลใดเนี่ยได้บรรลุพระนิพพานสําเร็จพระนิพพานแล้วแปลว่าสําเร็จพระนิพพานอย่างสูงสุดแล้วบุคคลนั้นก็จะยกตนออกจากสังสารวัตรไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือเวียนเอากำเนิดสืบต่อไปในภพบเบื้องหน้าขึ้นเชื่อว่าเดชสาเร็จพระนิพพานแล้วเนี่ยก็จะยกตนออกจากสังสารวัตรได้อย่างแน่แท้พระ อ, องค์ก็ ต้องการให้เข้าใจอัฏ ฐ, ฐานี้อัฏฐานที่นิสระว่าเป็นอัฏฐาของพระนิพพานเป็นลักษณะของพระนิพพานเป็นลักษณะของนิโรธสัจจ์จริงๆคือให้เห็นว่าในปัจจุบันนี้เรายังเปลื่องตนออกจากสังสารวัฏไม่ได้เพราะยังไม่เลยซืไม่เงยศีรษะออกจากสังสารวัฏได้โดยสับเป็นอย่างนั้นนะเนี่ด้ความหมายเนี่ยตรงเนี้เป้าหมายก็คือต้องการที่จะออกออกจากสังสารวัฏ ย, ยกตนออกให้ได้ใช่ไหมาตนในที่นั้นคือขันเนี่ยนะ รู ป, ปขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนยสรุปคือตรงเนี้ยต้องการออกจากขันธ์นั่นเองออกจากธาตุออกจากา อ, อกายตนะเพราะการหมุนไปของฐานธาตุอายตนะเป็นชื่อของวัตถะเป็นชื่อของสังสารสังสารวัฏใช่ไหมเป็นชื่อของสังสารวาัฏ น, นี้เราก็ต้องเห็นโทษตรงนี้เห็นโทษของสังสารวาัฏนี่ก็เห็นโทษของตัวทุก์นั่นแหละแล้วก็รู้ด้วยสังสารวัฏมันเดินได้เพราะสมูทยัยทีนี้เราก็ประกอบมรรคสัต ha. ที่มรรคสัตว์ที่จะพูดต่อไปในในภายข้างหน้าแต่ตรงนี้ท่านเลยชี้ตัวนิโรธก่อนนิโรธเนี่เป็นตัวดับทุกขสัตว์และดับอะไรสมุทยัยสจัจจะความไม่เป็นไปของสมุทยัยสัจจะและของทุกขสัตว์และสมุทยัยสจัจจะความไม่เป็นไปอภ ว, ต, อวตังอภวตังเนี่ยนะอันนั้นเราเป็นนิโรธเป็นนิโรธทัศจรรใช่ไหมถ้าตราบใดเนี่ยตัวตัวทุกขสัจจะเดินอยู่ สมมุทรยักษ์จะยังทำงานอยู่ยังให้ผลอยู่ไอโรงงานก็ยังผลิตชิ้นส่วนอยู่ใช่ไหมมันเหมือนรถนะน่ะที่นนะิยมสว่วนรถมันวิ่งอยู่รถคันนี้พังมันก็ผลิตคันใหม่ต่อมาเรื่อยผลิตมาเรื่อยเงนี้นะมันก็วิ่งอยู่ได้อยู่นะฉะนั้นถ้าสองอย่างมันไม่มีใช่ไหมถ้าตัวรถไม่มีโรงงานพังนั่นแหละคือ น, นิโรธคือนร้ตอนนี้มันพังนี่นะ ไม่พังเลยเนี่ยจะสร้างโรงงานเรื่อยเลยอะสร้างเรื่อยเลยอตอนนี้วันนี้สร้างไปกี่โรงงานแล้วนะฮะเอาเอาตั้งแต่เมื่อเช้าเนี่ยมาถึงตอนนี้ยถามว่าตั้นหาเกิดบ้างไหมนี่จะเรียนอะไรเรียสัพท์นี่นะ ต้องถามยังเี้ยเราถามกลับใหม่นตอนเดียวเองออมีคิดคิดตอนนั้นตอนเดียวเองหรือแล้วก็หายลืมมาเลยใช่ไหม ตั้งถึงขนาดนั้นก็ไม่ไม่ธรร ม, มาดาแล้วนะอ๋ออย่างนี้เลยโอ้ใจคิดนี่ไหม<อ><ข>ถ้าถ้าสามารถเออ สลัดได้เนี่ยคือคือคืออย่างนี้กรณีทำไมท่านถึงวางนิสสันทโทนโถเนี่ยไว้เป็นบัถมอัดของทุกขสัตย์เอออัดของนิโรธทุกขานิโรธ ท, ทุกของนี้ทุกขานิโรธตัวสภาวะที่ดับทุกเนี่ยคืออยอมสุวรรณไปทํากิจอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับการงานทุกอย่างหรือเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมว่าอวิธีคิดของเขาเนี่ยคิดถึงคิดถึงทุกเห็นไม้มแต่ว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นการเกิดนั่นเป็นทุก ดับความเกิดได้เป็นนิโรธเน้เขาคิดอย่างเงี้ยก็ น, น้อมการดับใช่ไหมใช่ไหมบอกเนี่ยความโศกนี่เป็นทุกข์ดับโศกได้นี่เป็นนิโรธเนี่ยคิดเงี้ยน้อมจิตมันออกเงี้ยยอดส่วนคืน้อมอย่างนี้เอ่อความแก่นี่เป็นทุกข์ดับสภาวะที่ดับความแก่เป็นนิพพานก็น้อมออกแต่ละครั้งเลยคือเกี่ยวข้องที่เราเห็นแต่ละครั้งเนี่ย เราเห็นคนอื่นหรือว่าเกี่ยวข้องกับการวิจัยโดยเองไงนะตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจมันเกี่ยวกับชาติทุกชรลาทุกนะพยาธิทุกมรณทุกขเกี่ยวกับโซกาพุิเทวทุกขโทมนะสารลอุปายาตสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยสิบสองกองเนี่ยมันเป็นตัวทุกขดับสิ่งเหล่านี้ได้สภาวะที่ดับสิ่งเหล่านี้เป็นนิพพานราคะโทสารโมหะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนีอันนี้เป็นตัวสมุทัยดับสิ่งเหล่านี้ได้เป็นพระนิพพานอย่างเงี้ยเริ่มเข้าใจอย่างนี้เรื่อยๆตึกไข่ครควญอย่างเงี้ย นั่นแหละคือคือเห็นทุกข์เมื่อไรก็ น, น, อ น, นก้อมหาอนิพพานก็คือตัวทุกข์นั่นแหละตัวทุกข์วิปรีณามะทุกนั่นแหละตัวทุกข์นั่นแหละที่พูดในนี้คืออริยสัจ อ, อ๋อสังขารนั่นแหละ นะถ้าถ้ากรณีคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยไหมวิจัยอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยใช่ไหมบางท่า น, นถึงอนาดสายทยายเป็นสูตรเลยสายทยายเป็นสูตรเลยสายทยายไปเรื่อยเกี่ยวข้องใช่ไหมสติก็ทํากิจบ่อยๆหน่อยสัมมาทิฏฐิก็วิจัยแล้วเพียรพยายามวิจัย บ, บ, บ่อยๆก็น้อมนิพพาน บ, บน่อย เห็นคนเกิดปุ๊บมดับชาติได้เป็นพระนิพาใช่ไหมฮะง่ายแต่คนทำได้สะดุ้งสะเทือนหมดอยากนิสนะโถแรงมากจิตคิดออกแรงมากใช่นิสนัตคือเป็นอธัาายออธยาศัยของพระโพธิสัตว์ท่านท่านคิดแบบนี้ พระโอติสัต์จะมีอัธยาศัยอันเนี้ยนิสรณัาถะเป็นอัธยาศัยในการที่น้อมหาพระนิพพานแล้วแล้วท่านเข้าใจนิพพานเนี่ยน้อมออกตลอดเลยนะท <c oughs> ่านน้อมออกตลอดนี่เป็นอย่างนี้ลักษณะเงี้ยคือปรารถนาจะยกตนออกจากสังสารวัตรนั่นเอง